สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บ้านนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่สี่ร้อยห้าสิบสี่เรื่องผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์และของประธานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่เจ็ดในเช้าวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับในการที่เราศึกษาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตพระเยซู พระเยซูนั้นได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราเพื่องานของพระองค์งานของพระองค์ในชีวิตของเราส่วนบุคคลและงานของพระองค์ในชีวิตของพวกเราหลายหลายบุคคลที่รวมกันก็คือคริสจักแรกฉุดนั้นคริสเตียนได้รับของประทานหรือการรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณสุด เเติบโตเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นผลปรากฏออกมาและสุกงอมหอมหวานในชีวิตของผู้นั้นของประทานแห่งวิยญาไในสุดที่เราจะกล่าวในประมาณสิบตอนที่จะมาถึงนี้ก็เช่นเดียวกันครับพระวิญญาณทรงประทานให้แก่ริสเตียนเป็นลายบุคคลแต่ให้ไว้เพื่อคิดจัรเจริญเติบโตโดยส่วนัว เพื่อให้คิดจักรของพระเจ้าเติบโตอย่างมีสุขภาพพลานามัยที่ดีคูยยังไงก็คือว่าให้คิดจักรของพระเจ้าเติบโตอย่างแข็งแรงเมื่อคริสเตียนนนั้เกิดผลของพระวิญญาณคริสเตียนมีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณเปี่ยมล้นในพระ่อยญาณสุดหรือเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์มาร่วมกันครับเขาจะต้องรับของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในการขับเคลื่อนคริสตจักรของพระเจ้าในการขับเคลื่อนที่ให้เกิดการประกาศข่าวประเสริฐครับในการขับเคลื่อนที่จะสร้างภาระใจการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่เพื่อที่จะให้คริสตจักรของพระองค์และอาจาักรของพระองค์แผ่นดินของพระเจ้านั้นได้ขยายออกไปพีป่น้องครับเมื่อพระกัมภี์ใหม่ได้บอกเราเกี่ยวกับคริสตจักร มักให้เห็นความแตกต่างระหว่างความเป็นน้นหนึ่งใจเดียวกันกับความหลากหลายของคริสตจักรทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นผลงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับคริสตจักรเป็นหนึ่งเดียวเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเหตุที่ว่าพระวิญญาณองค์เดียวนั้นทรงสถิตอยู่ในภายในคริสเตียนทั้งหลายคริสตจักรก็หลากหลายเพราะพระวิญญาณองเดียวกันนั้นได้ทรงมอบของประทานครับ ขอมาทานที่แตกต่างกันให้กับคริสเตียนแต่ละคนไม่เหมือนกันดังนั้นพระวิญญาณสร้างเสริมความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในขณะเดียวกันก็ประทานของประทานแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราที่จะร่วมกันชื่นชมและทำให้งานของพระเจ้าที่หลากหลายแตกต่างกันออกไปนั้นไปถึงความสำเร็จนี่คือความจริงทั้งสองด้านครับ เราจะกล่าวถึงความจริงเดียวกันนี้โดยอ้างถึงพระคุณของพระเจ้าเราจะสร้างความเป็นนันหนึ่งใจเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายเราเป็นนี่บุญคุณของคําว่าพระคุณหรือพระพรของพระเจ้านะครับคําว่าพระคุณนั้นภาษาอังกฤษใช้คําว่า carry นะครับ คำว่าของปร ะ, าระธานภาษาอรีกฤษนั้นใช้คำว่าค h a r i s m a เห็นไหมครับพี่น้องครับพระคุณทำให้เราเป็นนั้นหนึ่งใจเดียวกันทำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน c h a r i s แต่ค h a r i s m a สร้างความหลากหลายเพื่องานรับใช้ของพระเจ้าถ้าเราเข้าใจ ความแตกต่างและความเหมือนของทั้งสองคำนี้ทั้งสองคำนี้นั้นมาจากรากศัพท์เดียวกันใช่ไหมครับที่แปลว่าพระคุณฉะนั้นเองการหนึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันก็เกิดจากพระคุณความหลากหลายของขึ้นจากของประชาต่างๆก็เกิดจากพระคุณเพราะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเราไม่สมควรได้แต่เราได้เพราะเหตุที่ว่าพระเจ้า มีความประสงค์ใท้าได้เมื่อเราได้เราก็ต้องสํานึกในพระคุณและตอบสนองพระคุณที่น้องครับเรามาดูกันด้วยหลักการพื้นฐานเรื่องของประทานนะครับมีพัมคีอยู่สี่ตอนด้วยกันที่พูดถึงเรื่องของประทานมีสองตอนที่จับเต็มครับก็คือมีจํานวนของของประธานนั้นเยอะแยะมากมาย และอีกสองตอนก็เป็นลักษณะของคอมเพกครับหรือฉบับย่อของของพระธารเรามาดูกันครับว่าสีตอนนี้คือตอนไหนบ้างตอนแรกอยู่ในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่สิบสองตอนที่สองอยู่ในพระธรรมโรมบทที่สิบสองพี่น้องจำสิบสองนะครับโรมแล้วก็หนึ่งโครินสิบสองคือบทที่สิบสองครับ โรมคือพระธโรมแล้วต่อด้วยพระธรรมหนึ่งโครินขอพี่น้องได้จดจําไว้นะครับโรมบทที่สิบสองพูดถึงเรื่องของประธานหนึ่งโครินบทที่สิบสองพูดถึงเรื่องของประธานสองตอนนี้เขาเรียกว่าชุดจัดเป็นครับก็คือพูดถึงของประธานที่เยอะแยะมากมายครับส่วนอีกสองชุดหลังก็คือตอนที่สามและตอนที่สี่ก็อยู่ใน เอเฟซัสกับหนึ่งเปโตบทที่สี่เหมือนกันครับพี่น้องเอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่เจ็ดถึงข้อสิบสองหนึ่งเปโต 4, บทที่สี่นะครับบทที่สี่เหมือนกันในข้อที่สิบพี่น้องครับทั้งสี่ตอนนี้จะทำให้เราได้ค้นพบเกี่ยวกับลักษณะของของประทานฝ่ายพวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับความสามารถต่างๆอะไรบ้าง ความสามารถบางอย่างนั้นก็มีมาตั้งแต่กำเนิดความสามารถบางอย่างซึ่งเป็นของประทานนั้นก็เกิดขึ้นตอนหลังจำเป็นจะต้องเป็นการอศัศจรรย์เสมอไปหรือเปล่าและของประทานไหนซึ่งทุกวันนี้ยังใช้อยู่ขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมมากน้อยเพียงไรที่มาของของประธานนี้มาจากสาเหตุอะไรมาจากไหน และวัตถุประสงค์ของการใช้ของประธานในแต่ละอย่างนั้นพระเจ้ามีวัตถุประสงค์อะไรพระเจ้าประทานให้เราเพื่ออะไรขอให้เราเริ่มต้นอย่างนี้นะครับเรามาคิดถึงสภาพของขืดจักรเมืองโครินขืดจักรเมืองโครินนั้นแรกเดิม่มเดิมทีในบทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามของหนึ่งโครินทำให้เราทั้งหลายว่า รู้ว่าคริสเตียนชาวเมืองโครินนั้นมีของมาทานเยอะแยะมากมายครับของมาทานเขามีเยอะแยะมากมายตั้งแต่ของมาทานทางกายภาพนะครับจิตภาพและฝ่ายวิญญาณนะครับมีของมาทานเยอะแยะมากมายท่ามกลางความหลากหลายครับแต่สิ่งที่เขาขาดไปก็คือผลของพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์หรือชีวิตที่บริสุทธิ์ที่น้องคับทำให้ท่านอะคาทูปเปานละูนั้นจําเป็นที่ต้องเขียน ตำหนิเข้าในหลายๆเรื่องตั้งแต่ส่วนตัวครอบครัวขึ้นจักรต่อจนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในคึินจักรที่สร้างปัญหาทำให้เกิดความแตกแยกกันในเรื่องของการใช้ของประทานพี่น้องครับขิ้นจักรใดที่มีของประทานมากไม่ได้หมายความว่าขึ้นจักรนั้นจะเติบโตฝ่ายวิญญาณหรือมีผลของพวกวิญญาณมากเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันครับ ของประธานของพระวิ ญ, ญญาณมีไว้เพื่อให้ขึ้นจากเติบโตแต่ก่อนที่คิ้นจักจะเติบโตได้นั้นคึ้นจักจำเป็นจะต้องมีผู้คนที่มีชีวิตที่แสดงออกถึงผลของวิ ญ, ญญาณเสียก่อนเพราะทำไมเช่นนั้นการเติบโตด้วยของประธานอย่างเดียวจะทำให้คึ้นจักนั้นโตแบบไม่จริงครับโตเหมือนฟองสบู่และในที่สุดก็ต้องแตก ว่าที่ว่าชีวิตของคนที่อยู่ในขื้นจักรเหมือนกับได้ถูกเร่งเรั้วด้วยของประธานโดยที่ยังไม่มีผลเพราะฉะนั้นชีวิตของพวกเรานะครับจะต้องมีผลของพพื่อนยามสุ์เสียก่อนและให้เราพัฒนาของประธานฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับให้เรามาดูนะครับในหนึ่งโคเรเลมบทที่สิบสองข้อที่สี่ถึงข้อที่หกซึ่งท่านอาครุเปาโลเขียนวอย่างนี้นะครับ ของประธานนั้นมีต่างๆกันแต่มีพระวิญญาณองค์เดียวกันงานรับใช้มีต่างๆกันแต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันกิจกรรมมีต่างๆกันแต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันเป็นต้นเหตุแห่งกิจกรรมนั้นในทุกๆคนในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปให้กับพี่น้องครับก็คือการที่เรามีของประธานต่างๆกันเป็นสิ่งที่ดีครับ การที่ข้ารจักรมีงานรับใช้เยอะแยะมากมายเป็นสิ่งที่ดีครับการที่ข้าราชกรมีกิจกรรมต่างๆมากมายเป็นสิ่งที่ดีเพราะเราแต่ละคนจะมีโอกาสใช้ของประชานของพระเจ้าที่มอบให้กับเราแต่ถ้าขาดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเสียของหมดครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะไม่ทําให้ ของประธานที่เรามีอยู่นั้นเสียของไปเมื่อเราไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่างแท้จริงอาเมน